พฤติกรรมการขับรถของคนไทยโดยเพพาะในกรุงเทศเต่เป็นขถวว่มีการขับรถปาดหน้ากันแล้วก็เลยเกิดการทะลาะเบาะแว้งกันบางทีก็ถึงขั้นทำร้ายยกปอยช่วยหนักมีก็มีมมเรื่องปืนดิงกนันเนี่ยเพียงแค่ว่ากัดตกตัดใจกันเริ่มขับรถปาดหน้านล่าคือก็มี รถมาพอย ห, หลังไปชมไปกระนำรถติดคันหนึ่งนะซึ่งก็สองคนขับสองคนก็ไม่รู้จักกันหรอกนะแต่ว่าเกิดบาดแผลขึ้นมาระหว่างขับรถที่จริงที่เป็นข่าวที่เรารับรู้นี่ก็เป็นส่วนน้อยนะเพราะในความเป็นจริงเนี่มันมีเยอะกนะ็มีขาหลังเนี่ยเขาคนหนึ่งเขาเขาเล่านะเกี่ยวกพฤติกรรมของคนไทรูรือกว่ า, วา ที่เขารู้จักเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันเนี่ยใส่วนใจแล้วก็นิสัยดีนะอบอ้อมอารีนะเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อแพร่แล้วก็สุภาพนะแต่ว่าพอเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยพอขับรเมื่อไหลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะปใจร้อนนะหุดยดนะขับรถนี่ก็ค่อยๆจะมีน้ําใจเท่าไหร่ ท น, นี้เขาเขาจะเลี้ยวนะเข้าซอยหรือเลี้ยวข้ามถนนเนี่ยเขาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวนะทานที่ของหลังเนี่ยทางเนี่ยเปิดทาให้เขาเลี้ยวแล้วก็กลับนะเล่นเครื่องเพื่อไม่ให้เขาได้มีโอกาส น, นะเลี้ยวหรือบางทีก็ไปแซงเขาเนี่ยนะรวมทั้งการกดแตรนะไล่หรือว่าการ บางทีก็ดา่ดาด่าคนขับจิ๋ข้างหน้าบาง ท, ทีคนเดินถนนกำลังจะข้ามถนนทางม้าลายนี่แทนที่จะหยุดให้เราข้ามแล้วก็กลับเร่งเครื่องนะีะเพื่อไม่ให้เขาได้ข้ามถนนนะข้างหลังก็บอกไอ้รถแปลกใจนะคนไทยเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยที่จริงผมไม่ใช่ว่าคนไทยเป็นเพื่อนนะคนไทยที่ไม่ใช่เพื่อนเขเนี่ยหลายคนใหญ่ก็เรียบร้อยสุดภาพนะเวลา คนได้อำไมเป็นอย่างนั้นนะก็มีคนอธิบายว่าเป็นเพราะว่าเวลาอยู่ในรถเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเชือกเกาะนะหรือว่าเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างที่ปิดบังไม่ให้เราไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครยิ่งถ้ามีพลาสติกนะกระจกด้วยเนี่ยมองเข้าไปก็ไม่รู้เป็นใครเลยเพื่อเรา คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็เลยทำตัวตามสบายซึ่งก็มายคือการทำตามอารมณ์เลยจะทำตัวนะเรียกว่าไม่มีน้ำใจจะกดแปรจะปาดหน้าก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเะราเพราะเราอยู่ในรถเนี่ยนะแล้วคนที่ไม่พอใจเราก็ยังมากก็แค่บีบตายแลบีบแรไล่หรือตา แค่ดา่าทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเราเป็นไทรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้คนไทยในเวลาขับรถเนี่ยก็จะปล่อยตัวป่อยใจได้ง่ายไม่มีคําว่าเกรงใจไม่มีคําว่านําใจเมืม่อมาถึงเวลาออกจากรถเนี่ยเจอผู้คนเนี่ยเนื่องจากเห็นหน้าเห็นตากันรู้จักชื่อแท้กัน เวลาจะโปรดเวลาจะโมโหเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำตามอารมณ์ได้ง่ายๆเพราะคนรู้จักกันเนี่ยนะหรือถึงไม่รู้จักกันมากนะแต่เขาก็พอจะพอเห็นหน้าเห็นตาพอจะอรู้นะว่าเป็นใครขืนพูดจเาเนี่ยโวยวาด่าด่าทอไปต่อนหน้าต่อตานเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนไายหลยังนะเรียนไมมก็กลัวว่าคนเขาจะหมันไส้กลัวคนเขาจะเกลียด คนไทยเนี่ยอยู่แบบข้างหลังก็ดีอยู่คนไทยเป็นรถดีก็จะระมัดระวังคำพูดแล้วก็อาจระยิ่งกว่านั้นคือว่ามีน้ำใจเพื่อเพื่อเพลิดเพลแต่พอไปอยู่ในรถเนี่ยคนก็นจะใส่หน้า ก, กากนะไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีคำว่าเกรงใจ้วอันนี้ก็คงเป็นพฤกิกรรมท้ทยกับเวลา เพื่อเฟซที่ไม่บอกชื่อว่าเป็นใครเนี่ยอหลายคนเนี่ยเวลาพูดคุดยกันก็ดีน่าสุภาพเรียบร้อยแต่เวลาพอพอใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะโดยเฉพอะเฟซบุ๊กที่ไม่บอกว่าเป็นใครเนี่ยบางที้ก็ดา่าบางทีก็ใช้ใค้อยคาด่าใายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วว่าเอคนเราเนี่ยจะทําความดีก็จะพากอเมือเม่อคนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นใค ร, รทำไมหึือทาไม เราเป็นไครเราจะทําความดีต่อกันไม่ได้เฉยๆเลยอนะันนี้มันต้องมีมันไดมีสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าความละอายชาคนไทยเนี่ยมักจะกลัวบาปหรือว่ากลัวเสียหน้าคนไทยเปนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามีคนรู้ว่าเราทํารู้ว่าเราทำอะไรก็ะจะระมัดระวังกลัวผลกระทบกลัวเดือดร้อนหรือกลัวเสียหน้า ใจเลยนะมันสังให้ทำอะไรก็ทํามันสัให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้บีบแตรก็ดีบมันสัให้ปากรก็ปาดนะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะนะอันนี้เมื่อคนไทยเราเนี่ยถ้าเรามีไม่มีไม่เิีงแต่ว่ากลัวบาปไปเดียวแต่ต้องมีความละอายด้วยถ้าถ้ามีความละอายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวจะทำอะไรไม่มีใครรู้แล้วก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมนะก็คือยังเป ใจคนอื่นเนี่ยมีน้ำใจกับคนอื่นเนี่ยก็ดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเช่นอยู่ในรถยนต์หรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือในเฟซบุ๊กเนี่ยให้การมีสติเตือนใจนให้ระมัดระวังแล้วก็ให้มีความละอายนะละอายใจเถึงแม้จะไม่มีใครรู้ถึงแม้ไม่มีคว่าเสียหน้าเพราะไม่มีคนเห็นแต่ว่า ทำใจขับรถเนี่ยทําอะไรความใจดีแต่เนี่ยปาดหน้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเรย่ด้เกิดราวนะมันก็เป็นข่าวพอเป็นข่าวเนี่ยไอชื่อเสียงเนี่ยมันก็เลย เ, เสียหายไปเลยเพราะคนรู้วอ๋อคนนี้เป็นใครคนที่รว่าคนนี้เป็นบีเตงนะรั่าคนนี้เนี่ยทำบริษัททํางานบริษัทเป็นผู้จัดการ มาโผ้ไมเสียหายมากเลยนะฉะนันต้องระมัดระวังมาก